บทแผ่เมตตาให้ตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิททุกข์ขอโหมิขอ อะเนโคโหมิขอให้รักษาตนให้ผลจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด